หัวข้อทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจความจริงเกี่ยวกับวิธีดับทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจเป็นไนคือมรรคมีองค์8ดอันประเสริฐได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติ สัมมาสมาธิก็สัมมาทิฏฐิเป็นไ น, ะ ค, วนความรู้ในทุกข์ความรู้ในทุกขะสมุทัยความรู้ในทุกขะนิโรธความรู้ในทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอันนี้เรียกว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นไนะความดํมฤตในการออกจากกามความดํมฤตในความไม่พยาบาทความดํมฤตในอันไม่เบียดเบียนอันนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปปะ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 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียรมีสัมปัชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้อันนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นไนภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมบรรลุปถมฌานมีวิตกมีวิจารมีปีติและสุข กแต่วิเวกอยู่เธอบรรลุทุติยะฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกพุทธขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิอยู่เธอมีอุเบกขามีสติมีสัมปัช ญ, ญะเศรษสุขด้วยกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยะฌานที่พระอริยทั้งหลายสรเสริญว่า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 คือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในธรรมอยู่บ้างเธอย่อมอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่าธรรมะมีก็เพียงสักว่าเอาไวร้รู้เพียงสักว่าเอาไว้อาศัยระลึกเท่านั้นเธอเป็นผู้ไม่ถูกตันหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยการปฏิบัติอย่างนี้แหลภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรม ได้แก่นิวรณหอุปาทานขันหอายตนะหโพชนโงงเจ็ดและอริยสัจสี่อยู่เสมอ